เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่าธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระหัสที่29สิงหาคมพุทธศักราชสอง6เป็นวันพระวันธรรมศัวัะวันฝังธรรม เป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมัสวนาเอตังมงกลมุตตมังก็คือการฟังธรรมตามกา ร, ต า, การตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการที่จะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมให้เป็นมงคลแก่ชีวิตนั้นจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ก, กายวาจาที่สงบเรียกว่าสีงใจที่สงบเรียกว่าสมาธิถ้ามีกายวาจาใจ ที่สงบเวลาฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะได้รับอนิสงฆ์5้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขมีความสงบนี่แหละคือมองคลที่จะเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมดังนั้นจำเป็นจะต้องฟัง ด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็จะไม่ได้รับอนิสงค์ของการฟังเทศฟังธรรมเช่นถ้าเราทำนั่นทำนี่คุยกันใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ฟังแบบรู้เรื่องฟังแล้วก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป จะไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรอยู่ฟังแบบนี้เขาเรียกว่าฟังแบบทับผีในหม้ อ, อกแกงทับผีนี้จะไม่รู้รสชาติของแกงแต่อให้อยู่ในหม้ อ, อกแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามทับผีจะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงอะไรแกงจืดหรือแกงเผ็ด อ, อร่อยหรือไม่อร่อย ยังไม่มีวันรู้ได้การ ฟ, ฟังเทศฟังธรรมเพื่อสักแต่ว่าฟังโดยที่ไม่มีกายวาายใจที่สงบก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดผลก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นเวลาสัมผัสกับรสแกงนี้จะรู้เลยว่าเป็นแกงชนิดไหน อร่อยหรือไม่อร่อย <Yeah. S 1> การที่จะฟังทำแบบลิ้นกับแกง mm. ก็ต้องมีกายวาจาใจที่สบงบเน่กายต้องนั่งนิ่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรต่างๆวาจาก็ต้องสงบไม่พูดไม่คุยกันใจก็ต้องสงบต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ได้ ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นถึงคนนี้ถ้าสามารถรักษากายวาจาใจให้สงบได้ก็จะได้สัมผัสกับธรรมที่เข้ามาทางหูและรับเข้าไปทางใจด้วยสติด้วยการระลึกรู้อยู่กับ การฟังทาอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะมีความเข้าใจดีขึ้นไปตามลา ด, ำดำับจะกำจัดความสงสัยได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้จิตใจผ่องใสเบิก บ, บาน มีความสุขมีความสงบสิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้ก็คือการมาวัดเพื่อมาสะสมอาวุธยุธทธปกรณ์ที่จะเอาไว้ใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกศัตรูของเราคือใครข้าศึกศัตรูของเราไม่ใช่บุคคลต่างๆ บุคคลที่ทำให้เราโกรธอันนี้ไม่ใช่เป็นข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกศัตรูของเราคือความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนีแลที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความรื่มร้อนใจขึ้นมาเกิดไฟนรกเผาใจขึ้นมาเกิดจากความโลภความโกรธความหลง ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกนะเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภ ค, ความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราแลนะนะนะสิ่งที่จะทำลายข้าศึกศัตรูของเราได้ก็ไม่ใช่อาวุธยุโทโธปกร ที่ทหารมีกันเช่นปืนระเบิดมีด น, นี่ไม่ใช่เป็นอาวุธที่เราจะมาใช้ฆ่าศัตรูของเราอาวุธของเราที่จะใช้ฆ่าศัตรูของเราก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทรงสอนให้เราทำทานทรงสอนให้เรารักษาศีล ส่งสอนให้เราภาวนานี่แหละคืออาวุธของเราที่จะฆ่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเราที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทําบาปไปเกิดในอบายนี่แหละเรียกว่าข้าศึกศัตรูของเรา ก้าศศัตรูของเราเป็นอธรรมส่วนอาวุธนี้เป็นธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอแต่พวกเรามักจะเข้าใจผิดกันว่าเราเป็นคนดีเราจะชนะคนชั่วอันนี้ไม่ใช่คนชั่วเราไปชนะเขาไม่ได้เขาร้ายกาศกว่าเราเราไปฆ่าเขาไม่ได้ เพราะเรามีศีลมีธรรมการชนะอธรรมนี้ชนะอธรรมที่อยู่ในใจของเราคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นอธรรมส่วนธรรมก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ทานรักษาศรรีลภาวนานี่แหละเป็นธรรมที่แท้จริง ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะมีธรรมอยู่ภายในใจพอเรามีธรรมอยู่ภายในใจเราก็จะสามารถชนะอธรรมก็คือชนะข้าศึกศัตรูของเราก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองพอความโลภความโกรธความหลงถูกทําลายหมดไปแล้วใจของเราก็จะมีสันติสุขมีความสงบ จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสินต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วก็ตามจะไม่ทําให้ใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เลยเพราะใจของเราไม่มีความโลภความโกรธไม่มีความหลงกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองตอนนี้ใจของเรา ยังมีความหลงมีความโลภมีความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ยังมีความรักมีความชังมีความเกลียดมีความกลัวมีความหลงอยู่เวลาเกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัวเกิดความหลงก็จะมีความไม่สบายใจมีความรุ่มร้อนใจ มีความเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเวลาเราอยากได้อะไรนี้ใจเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะมีความรุ่มร้อนจะต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้เวลาไปเอาแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธเกิดความเสียใจเวลามีอุปสรรคก็จะโกรธบุคคลที่สร้างอุปสรรคให้กับเรา ก็จะเกิดการอาฆาตพยาบาทคิดร้ายจองร่างจองพลานอพอเกิดความโลภเกิดความอาฆาตพยาบาทก็เกิดไฟนรกขึ้นมาภายในใจอันนี้แลเป็นศัตรูที่แท้จริงคือความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดต่างๆนี่เองเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา ให้อภัยนี่คือทานก็คือการให้เราต้องให้อภัยเราอย่าไปจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราก็จะหายโกรธพอหายโกรธก็จะหายความจากความทุกข์ความรุ่มร้อนใจต่างๆและจะปลอดภัยจากการที่จะไปทำบา ปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับผลของบาป ก, ก็คือต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะไม่คิดร้ายกับบุคคลที่ทำร้ายเราเราก็จะไม่ต้องไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปทำบา ไม่ต้องไปรับผลบาปที่จะตามมาต่อไปนี่แหละคือการชนะที่แท้จริงชนะความโลภชนะความโกรธของเราชนะความอาฆาตพยาบาทของเราไม่ใช่ชนะผู้อื่นด้วยการฆ่าผู้อ่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการชนะที่แท้จริงเพราะชนะแบบนี้แล้วก็จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมไป เกิดในอบายและจะสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาต่อไปเขาก็จะกลับมาฆ่าเราชานี้เราฆ่าเขาชาติหน้าถ้าไปเกิดไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่เขาก็จะตามฆ่าเรา ท, ทันทีนี่คือเรื่องของการสร้างธรรมะเพื่อเอาชนะอธรรมสร้างความเมตตาสร้างทานบารมี สร้างการให้ให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราให้อภัยได้แล้วใจของเราจะสงบจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้าให้ไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ก็จะเกิดความลุ่มร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจะจางล้างจองผลานกันไปจนกว่าที่จะ ทำให้เขาตายไปพอตายไปแล้วก็จะสร้างเวรสร้างกรรมจะมีญาติพี่น้องเพื่อนของเขาจะมาจองล้านจองพรานเราต่อจะเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเราให้อภัยได้เรื่องก็จบไม่มีปัญหาอะไรตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชนะตน อย่าชนะผู้อื่นการชนะผู้อื่นเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมการชนะตอนนี้เป็นการสร้างความสุขสร้างความสงบให้แก่จิตใจนี่คือเรื่องของการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราข้าศึกศัตรูของเราไม่ใช่สิ่งต่างๆไม่ใช่บุคคลต่างๆแต่ความโลภความโกรธ ความหลงของเราความโลภความโกรธของเรานี่เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงความหลงคืออะไรก็คือไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเจริญ ต้องมีเสริมเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันมองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา เราไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาดีกับเราไปได้ตลอดรักเราไปได้ตลอดคนที่เรารักซักวันหนึ่งเขาก็ต้องมีวันที่เขาจะไม่รักเราเพราะเราอาจจะไปทำอะไรที่ทำให้เขาโกรธขึ้นมาพอเขาเกิดความโกรธเขาก็จะไม่รักเรา เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจนี่แหละคือความจริงที่จะมาแก้ความหลงถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ดีจริงไม่สุขจริงนอกจากไม่ดีจริงไม่สุขจริงแล้วยังเป็นความทุกข์จริงด้วยซ้าไปได้อะไรมาแล้วรับรองได้ว่าจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะทุกเร็วหรือทุกช้าเท่านั้นเองจะทุกมากหรือทุกน้อยเท่านั้นเองถ้าเราได้อะไรที่เรารักเราชอบมาเราก็จะเกิดความหึงหวงขึ้นมาความหึงหวงนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วเราไม่สบายใจแล้วเวลาสิ่งที่เรารักไปมีอะไรกับใครเราก็จะเกิดความหึงหวงขึ้นมา เวลามีใครอยากจะเอาสิ่งที่เรารักไปเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาที่เราไม่ได้เห็นสิ่งที่เรารักเราก็จะเกิดความห่วงขึ้นมาห่วงว่าเขาจะจะอยู่กับเราต่อไปหรือไม่หรือเขาจะหนีจากเราไปแล้วนี่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งและเวลาที่เขาจากเราไปจริงๆ ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอีกอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาพยายามจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมไปตามค่าเขาก็ได้เพราะว่าเขาทิ้งเราไปนี่แหละคือความทุกข์ที่จะตามมาจากการที่เราไปหลงรักหลงังหลงชอบอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเขาไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรกับเราการที่เราจะมีความสุขที่แท้จริงและมีความสุขที่ถาวรนั้นก็ต้องเกิดจากการที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เองถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเราจะมีความสุข ใจของเราจะสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แลเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขที่ถาวรที่จะไม่จากเราไปพนะระพุทธเจ้าจึงทรงสอนวิธีสร้างความสุขที่ถาวรนี้ก็คือการทำทานรักษาศีล และภาวนานี้เองว่าเวลาเราทําทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะตัดกําลังของข้าศึกศัตรูของเราให้น้อยลงไปตามลําดับเวลาเราทําบุญรักษาศีลภาวนาเราจะทําให้ความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุด พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขถ้ามีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ก็จะไม่มีความสุขเต็มที่เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แลจะเป็นผู้คอยมาทำลายความสงบความสุขของใจเป็นเหมือนน้ำ เวลาน้ำนิ่งนี้น้ำจะใสจะมองเห็นชัดเจนว่ามีอะไรในน้ำแต่เวลาน้ำกระเพื่อมเช่นเวลามีคนไปตักน้ำด้วยโยนอะไรลงไปในน้ำน้ำก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทําให้น้ําขุ่นได้ใจของเราก็เป็นเหมือนน้าเวลาเราทําบุญรักษาศีลภาวนาจะทําให้ใจของเรานิ่งสงบ เวลาเรามีความโลภความโกรธความหลงก็จะทําให้ใจของเราเกิดการกระเพื่มขึ้นมาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามทํำทานอยู่บ่อยๆทําให้มากขึ้นไปเไรื่อยๆรักศีล ร, รักษาศีลให้ได้บ่อยๆรักษาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ภาวนานั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดคอยสอนคอยบอกใจว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อะไรเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้จะมาทําให้ใจเราทุกข์จะทําให้ใจเราไม่สบายเวลาโลภ ก, ก็เกิดความไม่สบายแล้ว เวลาอยากได้ก็เกิดความไม่สบายแล้วแล้วพอไปได้สิ่งที่อยากได้มายิ่งจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะจะต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วก็จะต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรนั่นเอง ของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันหมดไปร่างกายของเราก็ต้องหมดไปสิ่งของต่างๆก็ต้องเสื่อมหมดไปเช่นกรุงศรีอยุธยาเคยสร้างอย่างวิจิตรพิสดารสวยงามขนาดไหนตอนนี้ก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วกรุงสุขโขทัยก็เหมือนกันสอบต่อไปบ้านเมืองของเรานี้ก็จะต้องพิเอมหมดไป เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายของพวกเราก็จะกลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปภายในร้อยปีนี้ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วสาหรับที่อยู่ในศาลาหลังนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหลงอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้หามาได้แล้วก็ต้องหมดไปแล้วก็ต้องมาทุกข์ใจ กับการสูญเสียมาทุกข์ใจกับการมาหวงมาห่วงเราจะงอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรให้มาหาความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงดีกว่าวิธีจะทำให้เราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง ก็คือต้องหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆ ร, รักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วคอยต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเวลาที่เกิดขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้คิดถึงว่าได้มาแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้เพราะจะต้องหวงต้องห่วง แล้วต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปถ้าคอยคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็จะหยุดความโลภได้หรือเวลาเกิดความโกรธก็ให้ให้อภัยอย่าไปจองเวจองกรรมอย่าไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าจะทำให้เขากลับมาทำร้ายเราแรงมากขึ้นไปอีกเช่นเขาว่าเราเราว่ากลับไป เขาก็จะมาทุบตีเราพอเราทุบตีเขาเขาก็จะฆ่าเรามันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเฉยๆเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเขาพูดเขาว่าแล้วก็จะจบไปถ้าเราไม่ตอบโต้เขาก็จะจบไปถ้าเขาตีเราเราไม่ตอบโต้เราเขาก็จะเลิกไปถ้าเขาฆ่าเราก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเรา เราได้ไปทำเข้ามาก่อนก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมประเนช่นพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหารท่านสามารถใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารต้องกันชีวิตของท่านได้แต่ท่านกลับไม่ทำเพราะท่านรู้ว่าถ้าหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตามมาใหม่ ตราบใดที่เขายัางจองเวรจองกรรมอยู่ตราบใดที่เขายัางไม่ได้ทําร้ายยังไม่ได้ฆ่าเราอยู่เขาก็จะไม่เลิกคิดที่จะตามฆ่าเราพระโมกคัาจึงยอมให้เวรกรรมฆ่าท่านเจ้ากรรมนายเวรของท่านตามมาท่านไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ท่านใช้ความเมตตาให้ความให้อภัยไม่ต่อสู้ ใจของท่านไม่เดือดร้อนกับการตายของร่างกายเพราะท่านรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องตายไปอยู่ดีการที่จะมาคอยหนีความตายนี้เป็นเรื่องเหนื่อยยากไปเปล่าๆหนีไปเท่าไหร่ก็จะหนีไม่พ้นความตายไปได้สู้อยู่เฉยๆดีกว่าเมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะตายไปก็ปล่อยมันตายไป แต่ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายอันนี้สำคัญกว่าดีกว่าที่คอยหนีคอยหลบความตายใจก็ไม่มีความสบายกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดกลัวตลอดเวลาหวาดภวาอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนี่อพอไม่กลัวตายแล้วยอมตายแล้วทีนี้เวลาใครจะมาทำร้าย จมาค่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละคือการชนะที่แท้จริงชนะความกลัวชนะความาหลงด้วยการใช้ธรรมะธรรมะก็คือปัญญาที่สอนใจว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเลี่ยงหลุดหลุดหนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ต่อให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริมากน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่ถ้ามีธรรมแล้วจะหนีความทุกข์หนีความกลัวได้ใจจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความกลัวตายเพราะใจรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาใจก็จะเป็นผู้ชนะ ชนะความกลัวชนะความทุกข์ใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขอันนี้แหละคือการชนะที่แท้จริงการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่แท้จริงก็คือต้องต่อสู้กับความโลกความโกรธความหลงต่อสู้กับความรักความชังความกลัวถ้าเรามีธรรมะแล้ว เราก็จะชนะอาธรรมได้การที่จะมีธรรมะก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็คือมาวัดบ่อยๆมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจ จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระในวันธรรมัสสวรณ น, นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้